เพืแสดงสูตรนี้เนี่ยนะหกสิรูปที่กระอักเลือดเนี่ยเพราะเป็นตราชิกเพราะาราชิกอยู่แล้วหกสิบรูปผลท่านเหล่านั้นก็เลยสึกไปเป็นสัมมเนนบวชเป็นสัมมเณ น, นก็บรรลุปเป็นพระนาคา ม, มีในตอนหลังส่วนพวกที่ศึกไปหกสนั้นก็ไปเป็นคารวะปฏิบัติดีก็บรรลุมรคผลเหมือนกันส่วนผู้ที่ฟังแล้วก็บรรลุนะท่า น, นคำสอนเหล่านี้ก็มีประโยช น, น์ถ้าประพุทธทผิดธรรมผิดวินัยอยากที่พระพุทธเจ้าสอนก็เรื่องเรียกพรองว่าเป็นศัตรูถ้าเป็นเรียกพรองโดยความเป็นข้าศึกศัตรูล่ะ ก็เสียหายอย่างว่าเพื่อประโยชน์ความสุขแก่พวกเราทั้งหลายท่านเราหวนมาลำเลึกถึงคุณของพระโพธิสัตว์ท่านที่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะพระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านเราก็มาสวดอรหังสัมมาแลลึกถึงพระองค์อารามาสูตรคือระสูตรเที่กล่าวว่าด้วยความน่าอัศจรรย์กับสิ่งที่ไม่มีอะไม่น่าจะมีอะแต่มามีขึ้นอัจฉริยะบวกอัภูตะเนี่ยนะ อัจฉริยะแปลว่า น, น่าอัศจรรย์มากมคือไม่เรื่องไม่ธรรมดาอภูตะแปลว่าไม่น่ามีได้เลยอะแต่ก็มีขึ้นเนี่ยนะอภูตะแปลว่าไม่น่ามีอ่ะแต่ก็มีขึ้นได้เมื่อวานที่ได้กล่าวถึงอัจฉริยะอภูตะธรรมสูตรอยู่บ้างแล้วแต่ว่าจะเริ่มต้นใหม่เลยดีกว่าเนาะนี่ก็ได้เวลาฟังธรรมแล้วนะข้อความในอัจฉริยะภูตะธรรมสูตรมัชิมนิกาย อุปเรทันนาทข้อสามร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นต้นไปกล่าวถึงว่าพระพิสูนนี้สมัยนั้นนะ น, นะท่านกลับมาจากบินทบาทภายหลังเวลาอาหารก็นั่งประชุมกันณนะอุปถ า, าหนาศาลาก็คือศาลาเป็นที่บำรุงก็คือโรงทำโรงอะไรเป็นต้นท่านเหล่านั้นก็มีการสนทนากันขึ้นเกิดข้อสนทนาว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริง ในอัจฉริยะเนี่ยนะ น, น, น, น่าอัศจรรย์จริงๆอภูต ธ, ธรรมะแปลว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เลยข้อที่พระตถาคตมีอิทธานุภาพมากพ่กงนี้มีฤทธิ์เยอะจริงๆ ซ, ซึ่งเป็นเหตุให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าในอดีตผู้ปริมิพานแล้วนะอย่างพระพุทธเจ้าตั้งแต่ไหน ตั้งแต่พระพุทธเจ้าตันหังกรเมทางกรสรนังกรทีปังกรโกนธัญะมังคลาสุมานณะะสุมานณะเรวตะนโนมทศัศสีเป็นต้นไล่อย่างนี้มาเรื่อยๆพระองค์นี่น่าอัศ จ, จรรย์จิงๆเลยนะเพะิ่มรู้จากพระพุทธเจ้าองค์กรกรเท่านั้นนานมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เหล่านั้นเนี่ยตัดตะปันจะทำตัดตันหามานะทิฐิแล้วก็ตัดต้นตอแห่งวะตะนั่นนะต้นตอแห่งวะตะคืออะไรคือกรรม กรรมในชื่อว่าต้นตอแห่งวตัตฏะพระองคไในตัดต้นตอแห่งวัฏฏะคือกรรมได้แล้วทรงครอบนําวัตฏะได้แล้วทรงเรื่องทุกข์ทั้งปวงแล้วถ้าหากว่าพิจารณาง่ายๆก็คือพระองค์ได้ละกรรมวะัฏะกิเกสวัฏ ต, ตัดกรรมวัฏแล้วก็ทําลายวิตากวัฏเรียบร้อยโดยสรุปก็คือพระพุทธเจ้าผู้ทําลายวัตฏะได้เรียบร้อยแล้วพระผู้อ่ะนะแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์เหล่านั้นเนี่ยตอนนี้ ขันทัดอายตนะเหลือไหมไม่เหลือแล้วแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราพระ อ, องค์ก็ทราบถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นว่าพระองค์นี้มีชาติอย่างนั้นเช่นพระพุทธเจ้านี้เกิดในชาติสองชาติเท่านั้นนะนะคือไม่กษัตริย์ก็พราหมณ์ พงนี่มีพระนามว่าอย่างนั้นเช่นพระนามว่าทีตังกรตันหังกรมีทางกรสารนังกรโกฏัญญาพงษรู้ชื่อหมดเลยแล้วพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีโคดอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นพระพุทธเจ้าของเราโคดอะไรโนโคตมะโคดโคตมะโคดพระพุทธเจ้าบางองค์ในโกฏัญญะโคดเป็นต้นเนี่ยก็มีโคดพระพุทธเจ้าของเราในโคดอะไรถูกไหมโคดดวงอาทิตย์นั่นแหละว่างั้นจันโคตมะโคด แล้วพระองค์เหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้มีศีลอย่างนี้ศีลของพระพุทธเจ้าเป็นยังไง mm hmm. ก็เหมือนธรรมาชาตสูตรนั่นแหละจุลศีลมัชชีมศีลและมหาศีลเป็นต้น น, นนะนะคือศีลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาเพระองค์นั้นมีศีลทั้งที่เป็นโลกยะและโล ก, กุตระพระองค์นั้นมีธรรมคือสมาธิอย่างนี้สมาธิทั้งที่เป็นโลกยะสมาธิและ โลกุตระสมาธิโลกิยสมาธิเนี่ยนะถ้าแบ่งเป็นอยังไงเนี่ยแบ่งเป็นอุปจาราสมาธิเนี่ยอุปจาระทั้งหมดมีแปดประเภทอัตนาสมาธิก็มีแปดประเภทอันนะถามว่าวิธีนับรับยังไงอุปจาระของปฐมฌานและปฐมฌานนี่คู่ที่หนึ่งไงนะคู่ที่สองอุปจาระของทุติยฌานและทุติยฌ า, า, า, านมันได้เริ่ดเอ่อไล่ไปยังเงี้ยฌานมีแปดไหมก็ต้องมีอุปจาระเท่าไหร่ อุปจาระแปดเพราะฉะนั้นอุปจาระแปดแล้วก็ฌานอีกแปดอันนี้ที่เป็นโลกุยะเนี่ยนะถ้าที่เป็นโลกุตระละ่ะมีเราเป็นโลกุตระนั้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อันพระองค์นั้นมีสมาธิทั้งที่เป็นโลกยะและโลกุตระมีพระปัญญาอย่างนี้ปัญญาของพระ อ, องค์เป็นยังไงปัญญาทั้งที่เป็นโลกุยะและโลกุตระปัญญาที่เราคุ้นเคยมากก็คือ สัพพญยุตยานสัพพัญยุตยานนะเราค่อนข้างยกย่องชมเชยหรือส ย, มยามภูญาณเป็นต้นอพระยานเหล่านั้นเนี่ยที่ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เวเนยศัตว์ทั้งหลายอย่างที่เราเรียกว่าพราะองค์ผู้มีกรุณาเนี่ยเป็นผู้มีกรุณาแบบมีปัญญานะอัะนนันเช่น เ, เระองค์มหาการุณาสมาบัติยานไม่ใช่กรุณาเฉยๆแต่เป็นกรุณาที่เกิดร่วมกับปัญญาหรือเหตุรู้ผลเป็นอย่างดีแล้วพระองค์ก็มีวิหารธรรมอย่างนี้ พิหารธรรมมันก่อนกล่าวอะไรบ้างเวลาพระองค์ประทับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ด้วยอะไรหนึ่งอยู่ด้วยทิพวิหารสองพรหมวิหารสามอาริยวิหารแล้วก็ยังมีโรนิโรดสมาบัติด้วยเป็นต้นอันนี้นพระองค์สามารถประทับอยู่ได้อย่างสงบสุขพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นผู้มีวิมุติอย่างนี้วิมุติถ้าเมื่อวานกล่าวว่าจําง่ายๆเลยนะคิดแบบไทยๆเราแบบคุ้นเคยหนึ่ง สมถะมวิปัสสนามัตผลนิพพานนั่นแหละคือวิมุต t h สมถะวิปัสสนามัตผลนิพพานแต่ทางข้าตฐานก็คือศีลกับปัญญาแต่ทางข้าตฐานคือศีลกับปัญญาสมาธิคือวิขัมภีร์ตฐานอริยามรรคเป็นสมุเทเธาตาหานอาริยผลเป็นปฏิปสัสสตะหานพระนิพพานเป็นนิสวรณาตาหานพระองค์ก็มีวิมุต tha ห้าประการเหล่านั้น ทีนี้พระพิสุทั้งหลายก็สนทนาการถึงพระพุทธคุณนั่นเองสนทนาพระพุทธคุณตรงนี้เนี่ยโดยรวมแล้วสนทนาพระปัญญาคุณของพระองค์ปัญญาประเภทไหนประเภทตุกเพนิวาสานุสติยานว่าพระพุทธเจ้าตนผู้สมบูรณ์ด้วยบุพเพนิวาสานุสติยานรอดรู้เรื่องราวของพระพุทธเจ้าแต่ตางก่อนทุกพระองค์เลยนะคือไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเหมือนกับอะไร มือนกับว่าแสดงภาพในอากาศได้อะเหมือนอย่างว่าเห็นอากาศตั๊บดูเลยว่านกตัวไหนเคยบินผ่านตรงนี้ไหมบ้างท่านท่นที่ตอนนี้ไม่มีอะไรนะแต่ว่าพูดได้ว่าเออเนี่ยตรงนี้เคยมีนกอย่างนั้นบินอย่างนั้นอย่ะงนั้นะท่านรู้ได้อย่างนี้เนี่ย น, นี่คือความน่าอัศจรย์ความไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างพระพุทธเจ้าตอนนี้ขันห้าไม่มีเหลือแล้วแต่ทําไมพระองค์จึงเอามากล่าวเอามาแสดงได้เอามาบอกได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรย์มาก ทีนี้พระนลก็เลยได้กล่าวกับพิสุเหล่านั้นว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตทั้งหลายทั้งน่าอัศจรรย์และประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์พระตถาคตทั้งหลายไม่น่าเป็นไปได้และประกอบด้วยธรรมที่ไม่น่าเป็นไปได้อะนะก็คือทั้งพระอนลทั้งพระพิสุทั้งหลายท่านก็สนทนาการในเรื่องความน่าอัศจรรย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นพระองค์ก็ประทับเอหลีกออกจากที่ ประทับนะ น, นะพระผู้มีพระภาคเสด็จออกฤทธิจักที่ประทับก็มาถามพิสูจทั้งหลายว่าพวกพิสูจทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเนี่ย น, นะอย่างที่เรามาเนี่ยนะก็ทันมีกระถาที่เป็นไปมากจริงๆคืออะไรเสรดมนเสด็จมนนั้นก็คือคําสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเราเนี่ยไม่ไม่ค่มีปัญญาที่จะเก็บประเด็นเอามาชมได้ทุกงเนี่ยทุกงบุญใช่ไหมเขามีบทเสด็จบทฟอร์มให้ชมบทเสร็จแล้วก็ เอาสุ่าตามแบบฟอร์อมนี่แหละชมแบบแบบแบบฟอร์อมมานะอะไรฮั้งไกลาจากกิเลสเขามีแบบให้เราเท่าไรเราก็ชมได้เท่าที่แบบมีอยู่แต่ก็มีอย่างผู้เช่าเมื่อเช้าผู้การก็อันนี้นะเคือเราว่าเอาแบบฟอร์อมเป็นหลักแล้วก็ขยายแบบฟอร์อมท่อไปอีกได้นเนี่ยนะก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากคือ คือน่าคิดว่าไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้กับพระพุทธคุณอีกแล้วถ้ารู้พระพุทธคุณอย่างเดียวธรรมคุณสังฆคุณก็ไม่สู้จะจะยากนะขอให้รู้จักคุณของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราศึกษาพระธรรมโดยที่ละเลยห่างเหินพระพุทธคุณนะพระธรรมก็พร้มที่จะเป๋พระสงฆ์ก็พร้อมที่จะเข้าใจคลาดเคลื่อนอะนะเพราะเราอะไรนะรู้พระธรรมโดยที่ไม่รู้เจ้าของพระธรรมในก่อนหน้า น่าแปลกใจเป็นอย่างมากก็เลยมีการสนทนากันพระพุทธคุณสันเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงทีนี้พิฆภะองค์ก็มาถามมาเธิดสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพิกสุก็กล่าวว่าสนทนาเรื่องพระพุทธคุณนั่นแหละลํลำดับนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสกับท่านท่านานนวาดูก่อนอนอนท่ากันนั้นข้อธรรมะอันไม่น่าเป็นไปได้น่าอัศจรรย์ของตถาคตจงแจงจงแจ่มแ จ, จ, จ้งแก่เธอ อันยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะให้คือให้แสดงอความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่ใช่ชมแต่บทเพลงนิวาสานุสติยานที่พระองค์ไปรู้ในอดีตเท่านั้นนะพระนนท์ก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้รับได้สดับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าดูก่อนอนนท์พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะเข้าถึงหมู่เทวดาชั้นดุสิตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แม้ข้อนี้ข้าพราะองค์ก็ทรงจําไว้ว่าเป็นธรรมะไม่น่าเป็นไปได้ธรรมะน่าอัศจรรย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าข้อที่หนึ่งอ่านะมีสติสัมปชัญญะเข้าถึงหมู่ดูสิตอันนี้เป็นยังไงหมายถึงว่าสมัยที่ท่านเป็นพระเวสสันดรท่านขอพอรจากเท้าสก่ากีย่งแปดประการเนี่ยนะแปดประการขอพอรแปดอย่างเช่นให้ทานไปแล้วไม่พึงเสียใจในภายหลัง อันนี้ข้อหนึ่ง น, นะเนี่จ้มวยก็ต้องสมถทานาให้ดีทําบุญไปแล้วต้องไม่เสียใจในภายหลังอันนี้ข้อคือคื อ, คอหัวข้ออันนี้ขอมาจําได้ที่เฉพาะข้อที่ชอบชอบอ น, นะเนีข้อสองก็บอกว่าไม่พึงตกอยู่ในอํานาจของสตรีคือไม่ถูกอานาจสตรีครอบงําทางความคิด น, น, นะนีอีกข้อหนึ่งก็คือขอให้จุติจากชาตินี้ให้ดํารโลเกิดปฏิสนธิในดุสิต แล้วก็ปฏิสิ้นชีวิตจากดุสิตขอให้เป็นพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นชาติสุดท้ายอันนี้ท่านท่านเหมือนกับขอพรท้าสกัตท้าสกัตเป็นผู้ให้พรหรือว่าท่านทําบุญมาท่านทําบุญมาเนี่ยนะท่านทําบุญมาท่านจึงตั้งความปรารถนาจนสําเร็จเพราะฉะนั้นท่านรู้ตัวท่านรู้ตัวว่าท่านนั้นจะปฏิสนธิในสวรรค์ชั้นดุสิตใช่ไหม รู้ตัวเลยนะตอนเป็นพระเวสสันดรเนะจุติจากพระเวสสันดรนั้นต้องไปดุสิตของเราทั้งหลายกําหนดแล้วใช่ไหมคุณการตาเล่าว่าเขาอะไรนะอุทิศส่วนบุญให้อุตส่วนบุญให้พระนางมหามายาประจำเขาว่าจะไปฝากเนื้อฝากตัวไว้ที่นั่นนะที่ดุสิตนะเนี่ก็เขามาได้ยินแล้วว่าดังๆ ด, ด, ด้วยก็เลยจําได้อุทิศส่วนกุศลที่ไหนหนึไม่จำได้ว่าที่ไหน ที่ไหนที่เขาชี้จานโน้นเขามาจําได้มาจากนั้นนะ่ะวันนั้นอาจารย์นันติอนุ ญ, ญาตให้คุณการตาเพาทิศ ส, ส่วนบุญตั้งความปรารถนาก็เลยอุทิศไปให้พระนางพระมหามายาแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าขอให้ไปเกิดแถวสำนักแถวๆนั้นเนะี่ยแล้วก็อนุมโมทนาด้วยนะก็ขอมุถิตาด้วยถ้าสําเร็จท่านถ้า เพลงนี้มีสติสัมปชัญญะเลยนะรู้ว่าจะไปเกิดที่สวรรค์ชั้นดุสิตนะเนีซึ่งเราทั้งหลายน้อยคนนักที่จะกําหนดแบบนั้นแต่ที่นี่หลายท่านก็คงกําหนดสถานที่ตัวเองเลยแล้วใช่ไหมว่าจะไปอยู่ที่ไหนดีไม่ถามพี่อิพี่อิฐเไม่อยากไปไหนทั้งนั้นเลยอยู่ก็ไม่อยู่ไปก็ไม่ไปเอม้นคืออะไรแต่ว่าแต่ก็น่าคิดนะว่าถ้าหาว่าผู้ที่ไม่ดับขันตะลิ้นนิพานก็ต้องมีที่พักใช่ไหม หมายคําว่าเหมือนอย่างว่าถ้าเย็นนี้ไม่ตายคืนนี้มันก็ต้องมีบ้านพี่พักอ่ะพักตรงไหนลนะคะนี้จะรอเวลาทั้งคืนเนี่ยนะที่พุ่งนี้จะได้ทํางานใหม่ต่อไปพระพุทธศาสนาตอนนี้ก็ร่อย์รอเต็มทีแล้วเกือบหมดแล้วเกือบหมดหรือหมดเกือบเกือบยังไม่หมดทั้งหมดเราไม่ด้คุยกันแลเกือบหมดเฉยเยเนี่ยนะแค่เกือบหมด ถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนนะ้ามันท่วมนะ้วตอนนี้ก็เลยจะยากน้ําค้างอะ่ะ <c oughs> ก็คือน้อยมากปริมาณนนะ้อยจะว่าไม่มีหรือก็ยังพอมีอาจจะว่ามีแบบสมบูรณ์นึกมันก็ไม่ใช่ละนั่นะนะอย่างมาเห็นเนี่ยชัดเจนเลยนนนเนี่ยพระพิสุชาวเนปาลในท่านเห็นไหมเป็นยังไง ร, รูปแบบก็แต่งใช้เสือ้อใช้อะไรก็ก็เหมือนกับสิ่งที่พระ อ, องค์ห้ามห้ามทั้งหลายเนี่ยในยุคนี้ก็เป็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วนั่นะนะอย่างโน้นเครื่องแต่งตัวของนักบวชจีนหรือญนะี่ปุ่น อาเกาหลีใช่ไหมอัานะก็ก็นั่นก็อีกเครื่องแบบหนึ่งเลยนะอะแล้วก็อีกบางที่นี่ก็ใส่เสื้อแบบคาราวาสอะไรแบบเพื่อนต่ว่าเหมือนก็คือหมดจริงๆอ่านะเพศนี้ก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วทีนี้สมณธรรมทั้งหลายยิ่งเหลือน้อยนะสมณธรรมทั้งหลายก็เร่ยหรอลงไปให้เร่ยหรอลงไป ก, ก็เป็นอย่างนี้แหละย้อนมาที่ว่าพระ อ, องค์นี้มีสติสัมปชัญญะดำรงอยู่ในสวรรค์ชั้น เ, เข้าถึงสวรรค์ชั้นดุสิตจะไม่รู้ตัวเลยว่าจะต้องเกิดที่ไหนอันเดาทั้งหลายก็ตรงนี้จัดประเด็นให้ดีว่าเราจะไปที่ไหนต่อกุป้าสุรีมาลาสถานที่ปรินิพพสูตรเป็นต้นลาสังเวชนียสถานในชาตินี้ก็ต้องนึกว่าไปพักที่ไหนต่อมันกันนะนะ ก, ก็ต้องใช้ที่พักอยู่แล้วใช่ไหม พระองค์ก็รู้ว่าที่พักของพระองค์คือสวรรค์ชั้นดุสิตข้าต่อพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สระพระมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าดูก่อนอนุนพระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะได้สถิตอยู่ในหมู่เทวดาชั้นดุสิตข้าต่อพระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้ข้าพระองค์ก็ทรงจําไว้ว่าเป็นธรรมะไม่ไม่น่าเป็นไปได้น่าอัศจรรย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เขาบอกว่าในสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยอารมณ์อันเป็นทุกข์เนี่ยมันกลุ้มรว ม, มมากอารมณ์อันเป็นทุกข์นี่กลุ้มรว ม, มมากเพราะฉะนั้นน้อยคนนักที่จะดำรงอยู่ด้วยสติแลสะสัมปชัญญะสังเกตดูเวลาเข้าห้างช้อปปิ้งเนี่ยนะกุศลจิตอะไรเกิดบ้างอันนี้การมาคุณอันเป็นของมนุษย์เท่นั้นนะนะเข้าไปในสถานที่ลหลายๆแห่งที่มันวิจิตรที่สุดาลังการไปด้วยสัตภาวัตถุ ก, การเนี่ยเจริญกรรมฐานอะไรบ้าง น้อยนักเนี่ยนะได้ยินเสียงดนตรีที่ไพเราะน่าชอบใจรูปวสวยๆเสียงเพราะๆอารมณ์มันออารมณ์มันฉุดพาลากไปหมดเลยดีว่าหลายท่านเวลาเข้าห้างจะเตรียมของไว้ทำบุญก็เลยพอมีสติอยู่บ้างถ้าไม่เตรียมของเพื่อไว้ทําบุญนะหลุดโลกเลยอ๋อมีธรรมะด้วยหรือเนี่ย น, น, นึกอีกครั้งเอาลืมหมดเลยอย่างเงี้ยนะท่านใครที่เข้าห้างจเจริญกรรมฐานได้ก็ขออนุมโมทนาด้วย มันแต่ก็น้อยนักนี่นิการมคุณนั่นเป็นของมนุษย์แล้วการมคุณนั่นเป็นของทุฏฐะพระโพธิสัตว์ท่านดำลงอยู่ด้วยสติและสัมปชัญญะไม่ถูกอารมณ์เหล่านั้นครอบงําย่ายีทางความคิดเนี่ยนะก็เลยเป็นอยู่อย่างมีเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่แบบอยู่แบบผู้รู้ตัว ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้รับได้สดับมาเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าดูก่อนอนนลพระโพธิสัตว์ได้สถิตอยู่ในหมู่เทวดาชั้นดุสิตจนตลอดอายุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้ก็เป็นข้อที่ข้าพระองค์ทรงจำไม่ว่าเป็นธรรมะที่ไม่น่าเป็นไปได้น่าอัศจรรย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า นนะก็คิดดูนะว่ามีสติสัมปชัญญะดำรงอยู่จนตลอดชีวิตแล้วเทวดาอื่นๆไม่มีสติสัมปชัญญะดำรงอยู่เลยหรือบอกใช่เทวดาบางพวกนี้ลืมลืมทานลืมบริโภคอาหารก็เลยจุติไปก็มีเนี่ยนะเคลื่อนพราะเห็นให้เทวดาเคลื่อนหรือตายก็คือหนึ่งลืมกินอาหารสองโกรธกันสามหมดบุญอนนะ พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านอยู่จนหมดอายุไม่ให้หมดบุญคือเงื่อนไขในสวรรค์ชั้นดุสิตนะถ้าจําไม่ผิดก็สักห้าร้อยกว่าล้านปีเนี่ยนะพระองค์ก็ดํารงอยู่ที่นั่นเนี่ยห้าร้อยกว่าล้านปีก็ดํารงแบบผู้มีสติสัมปชัญญะโดยที่ไม่จุติในระหว่างเนี่ยนะถามว่าทำไมพระองค์จึงไม่จุติในระหว่างถ้าเป็นชาติอื่นๆนะถ้าเป็นชาติอื่นๆเนี่ ย, เ, เ, ยเข้าถึงสวรรค์ทักจะอยู่ในสวรรค์ไม่นานก็ทําอธิมุติกาลกิริยา แปลว่าเป็นเทวดาที่ฆ่าตัวตายจะได้ลงมาเป็นมนุษย์จะได้บำเพ็ญบุญคือท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ทําบุญไว้เยอะท่านจะอยู่ในสวรรค์ น, นานแค่ไหนก็อยู่ได้แต่ว่าท่านไม่อยู่นะถ้าพอจะอยู่ไประดับหนึ่งพอเป็นที่สบายหน่อยนั่นก็ลงมาละนะเพราะท่านเป็นผู้ตรวจตราสอดส่องดูสารโลกว่าจะช่วยสัตว์โลกได้อย่างไรบ้างแต่ว่าพอชาติเนี่ยที่อยู่สวรรค์จ น, นสิ้นอายุไขเลยก็คือชาติที่เป็น อ่าท้าวเสตุเกตหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะตอนที่เป็นสัมฤทธิ์เทพบุตรบางแห่งก็เรียกอย่างนั้นอันดํารงอยู่จนตลอดชีวิตก็ห้าร้กว่าล้านปีมนุษย์เนี่ยนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญค่าพระองค์ได้รับได้สดับมาเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนอนนท์พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะจุติจากหมู่เทวดาชัน้นฤทธิ์เก้าลงสู่พระขนของพระมารดาเนี่ยนะก็มีสติสัมปชัญญะนะ คือพระโพธิสัตว์หลังจากที่พระองค์เนี่ยรู้นิมิตว่าตัวเองนั้นจะตายเนี่ยนะรู้นิมิตว่าตัวเองนั้นจากจากสิ้นชีวิตเทวดาที่จะสิ้นชีวิตนี้มีอะไรเป็นเครื่องหมายท่านบอกว่ามีนิมิตเครื่องหมายห้าอย่างหนึ่งเหงื่อออกรักแร้อดอกไม้ประจําตัวเนี่นะทุกคนจะมีะทุกท่านจะมีดอกไม้ประจําตัวคือผิวอดอกไม้เนี่ยเหี่ยวลงเฉาดอกไม้เนี่ยไม่ถึงกับเหี่ยวเลยนะเฉาเฉย ใกล้ๆ ก, กันนะเนะีนะ่ยแล้วก็เสื้อผ้าเข้าวเครื่องใช้สอยก็เศร้าหมองหมดเลยแล้วก็ผิวพรรณก็เศร้าหมองลงก็คือชราปรากฏอย่างนั้นนะและอะไรอีกไม่ยินดีในทิพยอาสนะวุ่นวายเลยนะกระสับกระส่ายเลยกระสับกระส่ายนี้ถ้าเป็นผู้มีบุญรู้เลยว่าอ่าอย่างนี้นะเจ็ดวันมนุษย์นะี่อีกเจ็ดวันเนะี่ยหมายความว่ามีอายุสับหนึ่งสัปดาห์ของมนุษย์จุติล้วท่านท่านรู้ตัวเลย ก่อนที่ก่อนที่ท่านจะเป็นอย่างนั้นก็มีเทวดามาราชนาใช่ปกติก็จะมีบุคพลนิมิตบุคพลนิมิตการเกิดขึ้นของพระโพธิสัตว์เนี่ยก่อนมานั้นกี่ปีประมาณพันปีใช่ไหมประมาณพันปีบุคพลนิมิตที่จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเทวดาทั้งหลายเขาก็ตรวจตราดูว่าผู้ใดหนอจะลงมาเอ่อจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปตรวจดูก็เห็นพระโพธิสัตว์ว่าเป็นผู้บำเพ็ญบารมีมา เต็มเ ป, เปี่ยมแล้วเนี่ยนะที่จะเพื่อจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยไปอาราธนาเนี่ยนะเทวดาทั้งหลายหมื่นจักรวาลก็มาอาราธนา ถ้าโพธิสัตว์ท่านท่านเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาท่านไม่ได้บำเพ็ญบารมีมาเพื่อเป็นศักกะเพื่อเป็นพรหเป็นมารเป็นต้นแต่ท่านบำเพ็ญบารมีมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าที่จะช่วยรื้อขนสัพพ <scratching S 2> <lou. S 1> ะสัตย์ให้พ้นจากวัฏทุกเพราะฉะนั้นบัดนี้ได้เวลาที่พระ อ, องค์เนี่ยจะยังลงสู่คันแห่งพระมารดาแล้วเนี่ยะได้เวลาที่จะยังลงสู่คันแล้วจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะเพื่อ หรือภาษัตว์เทยให้ข้ามโอฆากันดานเมืเอ่อพงศ์รับอาราธนา ก, ก่อนที่จะรับอาราธนาพองศ์ก็พิจารณาอะไรปัญจมหาวิโลกนะหะปัญจแปลว่าห้านะวิโลกนก็คือการพิจารณาถึงโลกใหญ่ๆเลยหนึ่งพิจารณาอะไรพิจารณาอายุไขของมนุษย์ก่อนอะนะว่าต้องไม่เกินแสนปีแล้วก็ไม่ต่ำกว่าร้อยปีบางทวงนะบางลัทธิสมัยนี้เขาเชื่อว่า ตอนเนี้ยมีพระพระพระสิยานมาเกิดแล้วสายใต้วันนะไม่ใช่สายไทยสายสายมหายานนี่เขถือว่าพระโพ ธ, ธิสัตว์เดิมาเกิดแล้วก็ใครอ่ะบอเจ้าลทัทธิของเขานี่นแหลนนะนะของเขาสายเขาเหล่านั้นนั่นแหละแต่จริงๆแล้วถ้ากล่าวตามนี้แล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าพระองจะไม่มาตรัสรูในมนุษย์สมัยที่มนุษย์อายุต่ำกว่าร้อยปีเนี่ยนะไม่มาแล้วก็ไม่เกินแสนปีถามว่าสรุปทําไมจึงเกินแสนปีจึงไม่มา เพราะว่าคือพระพุทธเจ้าเวลาจะสอนก็สอนธรรมะไม่พน้นทุกข์สัตว์นะก็ไม่พ้นอนิจจังทุกขังอนัตตาสอนไม่พ้นชาติชรามรณะใช่ไหมก็เขามันดูเหมือนไม่แก่เลยแก่ไม่เป็นเลยอะ่ะมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่แก่ชีวิตเหมือนอมตะจะไม่รู้จะมาสอนเขาว่ายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสอนอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ยฟังไม่เข้าใจมัะนั้นมาพูดเรื่องอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นบำเพ็ญบารมีมาทั้งหมดถ้าสอนไม่เข้าไม่บรรลุได้ประโยชน์ตรงไหน ก็ไม่ได้ประโยชน์ถ้าต่ำกว่าร้อยปีล่ะโอ้ยกิเลสมีกำลังมากอันนกิเลสมีกำลังมากจริงๆเลยนะแบบอะไรนะแบบเทวดาคนหนึ่งนะนางปฏิปูชิกาเนี่ยนะนางผู้ทำบุญบูชาผัวหรือผู้บูชาผัวเนะี่ยที่ที่ตายจากสวรรค์ชันดาวกดึงมาเกิดในมนุษย์ใช่ไหมแล้วก็บอกคือคือเรื่องกองเรื่องก็มีเทวดาอยู่กลุ่มหนึ่งนะ เทวดามีนางฟ้าบริวารไปเด็ดดอกไม้ในสวนในสวนทิพนะสวนนันทวันอันเป็นทิพระหว่างเก็บดอกไม้ก็มีเทพพรธิดาท่านหนึ่งจุติจุติก็ไปเกิดในเมืองสาวัติพอเกิดอยู่ในคันครับก็คลอดออกมาก็อายุตามสมควรก็แต่ ง, งานก็สมัยนั้นสมัยพุทธกาลก็ทําบุญจนตลอดชีวิตตายจากนั้นก็นางเนี่ยทําบุญซึ่งทุกคนจะรู้เลยว่านางคนเนี่ยทําบุญปรารถนาขอกลับไปอยู่กับผัวตามเดิมเนะนะ เสร็จแล้วเขาก็แปลกใจว่าพระพิสุก็แปลกใจว่าพอนางตายนะก็ไปดูที่บ้านเอ๊ะไม่เห็นมีใครมาเกิดเลยนะพอนางตั้งความปรารถนาขอเกิดในอ่านะกลับมาไปอยู่กับสา ม, มีคนเก่าเนี่ยเสร็จแล้วอนางก็จริงๆก็กลับไปหาเทพบุตรองค์เดิมหรือเทพบุตรก็ถามอ้าเธอหายไปไหนฉันไม่เห็นหน้าตั้งครึ่งวันแล้วกันไปไหนมาโอ้ไปเกิดเป็นมนุษย์คือไอ้ครึ่งวันของของของเ ท, ทวดาเนี่ยนะ เพา อ, อายุดยกวระดึงร้อปีใช่ไหมวันหนึ่งคืนหนึ่งของของเขาเท่ากับร้อยปีหายไปตั้งครึ่งวันน่ะนะเธอไปไหนมาก็ บ, บอกหม่อมชันจุติว่าไงจุติเราไปเกิดในมนุษย์โลกเออจริงหรือบอกจริงสิทีท่พระเบบก็เลยตรวจ ด, ดูก็ถามว่าช่วงยุคนี้ยมนุษย์เนี่ยอายุเท่าไหร่บอกประมาณร้อยปีเออายุแค่นั้นน่ะเหรอก็เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของจาตุ่มใช่ไหมเพราะวอายุน้อยเท่านั้นหรือ เคย่าอายุน้อยอย่างนั้นแล้วถามว่ามนุษย์ที่อายุน้อยขนาดนี้เขาใช้ชีวิตยังไงเขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตเหมือนอายุสักอันหนึ่งอะสองขัยปีอย่างนั้นเนี่ะใช้ชีวิตเหมือนอายุอันหนึ่งสองขปีไหมาเพราะว่าเหมือนกับว่าหนึ่งมาตั้งเลขศูนย์ตามทอยอีกร้อยสี่สิบตัวใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆเลยนะทุกคนเนี่ยเย็นสบายเลยนะมีผู้ศึกษาธรรมะไม่กี่คนหรอกนะที่รู้สึกว่าเออเนี่ยมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วนะกระเถิดเข้ามาอีกนิดหนึ่งกรเถิดเข้าไปชีตอีกหน่อยละ แต่ว่าโดยมากก็เหมือนกับอีกนานเ น, นะนะแต่กระทั่งบางคนที่อายุเกือบตายอยู่แล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าอีกนานอีกอยู่ดีเนี่ยนะนะนี่คือนิจจวิปัสสนานะไม่น่าเชื่อเลยว่าอายุสั้นขนาดนี้ก็ยังวิปาัาสนาว่าเหมือนกับตัวเองเนี่ยจะอยู่ยืนยาวนะคุณตาตาจะอยู่นานไหมนะถามดูอนะ่ะไหมจะอยู่นานก็อยู่ไปเถอะก้าวเสีบหือสองร้อยปีก็อยู่ไปนะ ใสยย่เยอะเลยนะถ้าอยู่สักอายุสองร้อยห้าสิบปีเลยนะ ม, มาเห็นใจเปไหนก็เข็นรถเข็นแล้วใ้พระ อ, องค์ก็อาราธนาดูว่าถ้าต่ำกว่าร้อปีสอนยากถ้าเกินสอนปีก็บรรลุไม่ได้ก็เลยพิจารณาว่ายุคนั้นนี่ร้อยปีพอดีนะแต่โดยมากก็มีนะอายุร้อยกว่าปีก็มีอยู่บ้างสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านุรุธท า, ายุเท่าไหร่ร2อยี่สิบพรนนร้อยี่สิบพระพากุลร้อยหกสิบ ร้อยหกสิบปีพระภาคุลเนี่ยไม่เคยกินสมอไม่แต่ลูกเดียวท่านไม่เคยป่วยเลยแต่เชื่อไหมพระภาคุลเนี่ยบําเพ็ญบารมีมันหนึ่งอสงไขสเสนกับนี่นะท่านบําเพ็ญบารมีมาเท่าพระสารีบุตรพระภากุละเนี่ยนะแต่ว่าไม่ได้ปรารถนาตําแหน่งเองตทัคคะแบบแบบทั่วๆไปท่านท่านมีความพิเศษของท่านอยู่ก็เป็นผู้ที่สร้างบุญมานานมากทั้งก็พิจารณาดูแล้วพอต่อไปเมื่อพิจารณาอายุเสร็จพิจารณาอะไรทวีป ว่าจะเกิดทวีปไหนก็เห็นว่าชมพูทวีปก็น่าจะชมพูทวีปนะสองข้างทางถ้าสังเกตมามีแต่ต้นว่าหมดเลยโดยมากมีแต่ต้นว่านะสองข้างทางที่เรานั่งรถมาเนี่ยในตานะต้นว่าเยอะคือเรียกว่าทวีปนีแ้แปลว่าเกาะนะเป็นเกาะที่มากไปด้วยต้นว้าก็เลยเรียกว่าชมพูทวีปไปเห็นชมพูทวีปเนี่ยเป็นสถานที่ที่พระพธทธศาสนาทุกพระองค์จะต้องจะชาติสุดท้ายเนี่ต้องมาเกิดที่นี่แล้วก็ยังอะไรอีก พระปเจกก็ก็เกิดที่นี่พระอัคราสาวกทั้งหลายเป็นต้นก็เกิดนะที่นี่ก็เลยเรียกว่าชมพูทวีตมชิมะประเทศเนี่ยนะชมพูทวีตชมพูทวีปนี้เลือกเอามชิมะประเทศอย่างเดียวพอเลือกเสร็จก็ดูตระกูลในชะ่ไตระกูลในยุคนั้นเนี่ยตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือตระกูลสักยะอันนะั้สุดยอดมหามา n ะอยู่ที่นี่หมดอนะันนความย่อหยิ่ยงความถือตัวความที่คนยกย่องนับถือเนี่ยนะมหามา n ะเลยนะนีเลยครับ มานะไม่ไม่ธรรมดาเลยกษัตริย์ตระกูลนี้นะจนอุบาลีขึ้นออุภาอุบาลีเถระบอกว่าเป็นกลุ่มที่หยาบคายมากแต่ก็มานะเยอะยิงเต็มที่เลยนะกลุ่มสักยะนี่เขาเป็นอย่างนั้นถือตัวขนาดตัวเองจริงๆแล้วแคว้นสักกะเนี่ยนะสมัยผู้จการเนี่ยนะเป็นเมืองขึ้นของเขานะเป็นเมืองขึ้นของแคว้นโกศลไม่ไม่ได้มีอำนาจเต็มที่อะไรก็เป็นเมืองขึ้นของแคว้นโกศลอยู่ต้องส่งส่วียไปให้พระเจ้าโกศลประจำใ น, นที่เมืองสาวัตถี จริงๆก็ไม่ไกลาจากนี้เท่าไหร่นะ ก, ก็ส่งสวยประจําแล้วตอนหลังเนี่ยแม้กระทั่งว่าจะบริโภคอาหารร่วมกับหลานก็ยังไม่ยอมเลยนะถ้าใครศึกษาประวัติของพระเจ้ามหานามะทั้งๆ ท, ที่เป็นพระยาบุคคลเนี่ยเไม่ยอมทานข้าวกับหลานยอมฆ่าตัวตายเลยนะทั้งๆที่หลานตัวเองเนี่ยนะมาหน้าเข้าขนาดนั้น มานะเขาสูงจริงๆมากๆเลยนนั้แล้วก็ที่เขาอมีมานะสูงก็เพราะว่าใครก็ยกย่องอะนะใครก็ยกย่องพอได้รับการยกย่องมากๆเข้ามากๆเข้ า, ขาอย่างว่ากิเลส ก, ก็ท่วมทับครอบงำย่ำยีก็พิจารณาว่าเออตระกูลศักการนี่เป็นตระกูลที่ถือว่าสูงสุดเลยในสมัยนั้นแล้วก็พิจารณาต่อไปก็พิจารณาถึงใครพระพุทธมารดาว่าพระพุทธมารดาต้องเป็นผูเที่มีศีล บ, บรรเทาบารมีมาแสบกับเพื่อที่จะ อะไรนะเอาคันของตัวเองเป็นห้องพระเจดีย์ให้พระโพธิสัตว์อาศัยอยู่และอายุแม่หรือเท่าไหร่ล่ะสิบเดือนกับเจ็ดวันนะ่ยนะก็พอพิจารณาปัญจบมหาวิโลกะนะองค์ประกอบเพื่อพร้อมหมดก็ตั้งเมตตาเป็นบนหน้าเมตตาคืออะไรตั้งว่าเราจะเกิดเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเกิด